หนีพระพระหนีอย่ามายุ่งนี่โยมก็ทำงานแทนได้แล้วมีอะไรตอบไปนี่มีอะไรตอบไปนี่พิจารณากันไฮะฮะรีบนั่นเออทางโน้นอ่ะจัดอะไรจัดนีร้อยแล้วหรเรร้อยหมดแล้วผมเรียบร้อยหมดแล้วผมสติกรรมบทุนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วผม เือะหมครับผมพิธีกระ่าพิธยัแสดงทำทำเทียสายคบแล้วจากนั้นก็จะอ่านประวัติแล้วก็วางอมาใหญ่ครบ่านกออันเดียวเอาลงไปแล้วนะครับผมเอลงไปแล้วคล้องไม่คดีเช้านี่อันยาแก้ค้องอยู่บ่อยท่านเราไปอยู่ที่หนางถนนนี้ยาแก้ค้อง้อง ถ้าใครก็ตามจะมียาแทรกเข้ามาเราไม่ทำนี่ทำไม <c oughs> เรื่องถ่ายภาพใครนะเวลาเทศกายยุ่งนะถ่ายภาพไม่ได้นะภาพพี่ภาพพี่ควรธรรมะล้มเหลวไปหมด <c oughs> เขามานี่เขามันมาชมถ่ายภาพนะ <c oughs> เขามาชมอัดชมทำต่งางๆให้เราดูที่เรื่องราวทุกอยาก่างมันเข้ากันได้ไหม เดินไปไหนถ่ายภาพคุกเกนั่งสงบนีเพื่อสงบไม่สงบแล้วถ่ายภาพภาพพี่ภาพพี่คูวรตลอดเวลาการเทศนาว่าการเขามีอะไรมากระทอไปแล้วร่มเหลวเป็นหมดเสียหมดคนที่มาจํานวนนี้ภาพเกิดประโยชน์อะไรเอาเทียบที่เหตุผลมีอย่างนี้อย่าทำมะผมพระพุทธเจ้าอย่าทําสักแค่ว่าแต่ทำลุกเรี่ลุกหลนนพุง่งเฟอ้เอเหื่อเหิม ไม่ดูเหตุดูผลดัดท่ำอะไรบ้างเลย <c oughs> ความดีงามมีอยู่ในโลกนี้พากันคัดกันเลือกเอาบ้างสิแต่ความวววแ้วแหลกแปลกแ้วมันล้นโลกและเวลานี้ณถึงในวงศาสนาก็ล้นศาสนาและเวลานี้มีแต่ความโสโปรกโสมมเต็มวัดเต็มว่าเต็มพระเต็มเนยวัดที่มาตั้งวัดไว้สาหรับบาเพ็ญสมรธรรมความดีงาม ให้เป็นที่ชุ่มเย็นแกต่ตนเองและผู้อื่นที่เขามาเกี่ยวข้องเลยกลายเป็นส่วมเป็นฐานไปหมดวัดทั้งวัดกลายเป็นส่วงเป็นฐานพระเนรแต่และองค์ละองค์ศีลธรรมไม่มีติดตัวติดใจ ก, กายวาจาเลยกลายเป็นมูดเป็นพูดอยู่ในช่วมในฐานคือวัดวาไปด้วยกันทั้งหมดใน เ, เวลานี้ <c oughs> ท่านลหลายให้พิจารณานะ น, <c oughs> นี่มานี่ยจำนวนเท่าไหร่นี่ เนี่ยทั้งนี้ทํางชั่วฆ่าเข้ากันอยู่นี่ใทยฉลาดเก็เาตัวรอดได้ไครโง่ก็จมไปจมไปดังที่เคยจมมาแล้วก็จมไปอยู่เพราะนิสัยเก่าที่พาจมมันติดอยู่ที่หัวใจไม่ยอมแก้ไขดัดแปลงถ <c oughs> ้าเราตั้งใจมาเพื่ออัดเพื่อทำมันจริงตามีหูมีเอาที่เด็ดเอาไปถลุงซะมากแล้วตาก็ ดูเพื่อนทีเล็หูฟังเพื่อนทีเล็กเอามาถลุงตัวเองมากต่อมากแล้วทีนี้ตาหูจะงุบเลี้ยงกายใจของเราหมุนเข้ามาสู่อัตุธรรมเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนมันจะไม่ได้เทียวเหลือคนทั้งคนเอาไปพิจารณาเสี <c oughs> วันนี้ก็เห็นไหมนั่นนะท่านปัญญาวัดโทท่านอุตชาหพยายามมาปฏิบัติธรรมยู่ที่นี่ <c oughs> เป็นเวลาสี่สิเอ็ดปี ท่านอุตสาพยายามปฏิบัติตัวดีไม่เคยได้กคำนิตจเตรียมรู้ดูด่าว่ากล่าวท่านเลยท่านมาอยู่กับเราหลวงตาบัวที่ล่ำลือนั่นแหละเพราะว่าล่ำลือว่าดุว่าดุแต่กับท่านพยาญาไม่เคยได้ดุเลยอ <c oughs> ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีดปฏิบัติชอบเป็นดูลรักทำรักวินัย ซึ่งเป็นองศาศราราของพวกเราชาวครูทั้งหลายธรรมและวินัยก็ได้แตศีลและธรรมนั่นแหละเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายแทนพระพุทธเจ้าเวลาอท่านปฏิพานก็มีแต่เรื่องท่านเรื่องขันจะลายไปเช่นชัน้นช้นเราเรานี่แหละแต่เรื่องจิตอันเลอเลยสูงส่งนั้นคือจิตของศาสดามีท่านก็นมาศึกษาวลง ตั้งจต่มาอยู่วัดป่าวันกาจนกระทั่งท่านจากไปนี้เราไม่เคยได้ดูด่าว่ากล่าวท่านว่าผิดตรงนั้นผิดตรงนี้ที่ไหนเลยเพราะท่านปฏิบัติตามแบบตามฉบับของศาสนาคือทำก็ดีวินัยก็ดีท่านพยายามเดินอยู่ในกรอบของธรรมของวินัยท่านไม่นอกเหนือไม่ข้ามเกินหลักธรรมอย่างวินัยก็เท่าก็เรียกว่าท่านเทิดทูนศาสนาท่านไม่เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปด้วยการ ข้ามเกินทำข้ามเกินนี้ในเหยียบย่ําทําลายทำมีในซึ่งเป็นการเหยียบย่ําทําลายหัวสัตว์ประดาเอกๆหนึ่งหัวท่านหัวเราเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปโดยข้ามเกินทำมีในซึ่งเป็นองค์ศาตวดาหนึ่งที่ท่านอุศสามะบัมเพนเนี้ยมาอยู่นี่ได้สี่สิบเอ็ดปีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกอย่างสุขขุม่ม เป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดีสำหรับเราทั้งหลายนี่ท่านก็มาหน้าภาจากไปแล้วเรื่องท่าเรื่องขันไม่ว่าใครตายได้ด้วยกันนี่เรามาอยู่ร่วมกันบนในบริเวณบัดเราเอาแค่บริเวณบัดเพียงตนนัวนี้มีรายใดที่จะพ้นความตายไปได้มีไหมอยู่เนี่ยทั้งหมดนี่แหะเอาใครจะรอดพ้นความตายไปได้จะเอาชีวิตอยู่ข้ามฟ้า ไม่ตายกับโลกเขาเลยเลยไม่มีหรือเราเฉพาะอย่างยิ่นอยู่ในวงวัดป่าบรรการมาแน่นหนาอยู่นี่มีแต่จะตาด้วยกันต่างกันแต่ช้ากับเร็วเท่านั้นให้จำเอาไว้นะเรามานี่เรามาศึกษาเพื่ออ่านเพื่อทำการกรองสิ่งดีงามทั้งหลายเข้าสู่ใจปัดซักฟอกสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกจากกายวาจาใจของเราแล้ววันนี้ก็มาตรงธรรมสังเวช ท่านก็ปฏิบัติดีอย่างนั้นแล้วท่านก็ตายวันนี้ก็เลยเผาศพท่านต่อไปก็เผาศพพวกเราเราท่านๆเหมือนกันนี้หมดไม่ว่าจะเผาจะฝังจะตายแบบใดมันเรียกว่าตายด้วยกันหมดคุณค่าหมดคุณค่าหมดราคานะ <c oughs> เวลานี้ยังมีคุณค่ามีราคาอยู่ขอยพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติศีลธรรมมีอยู่เป็นพื้นฐานงามสาหรับโลกได้ กาะได้เกี่ยวได้ก้าวเดินไปตามศีลธรรมเพื่อความสงบร่มเย็นแจตนและส่วนรวมถ้ามีศีลธรรมอยู่ในสถานที่ใดที่นั่นจะเป็นความสงบร่มเย็นไม่ว่าส่วนตัวของเราเองไม่ว่าครอบครัวเยาอ์เพื่อนฝูงหน้าที่การงานที่เป็นส่วนรวมด้วยกันต่างคนต่างมีศีลมีธรรมเข้าเครือแฝงเคลือบแฝงไปปฏิบัติหน้าที่การงานอยู่นั่นจะเป็นผลเป็นประโยชน์ไม่ค่อยผิดพลาดไป เหมือนเอากิเลสไปเหยียบย่ำทาลายทั้งตัวเองคนอื่นเจี่ยวความกันมากน้อยมีแต่ความโลกระโบกโสมงเอาไปเลอะเทอะกันไปหมดโลกนี้มีแต่ช่วมแต่ฐานเป็นบ้านเป็นเมืองหาความดีความดีติดเนื้อติดตัวก็ไม่มีนี่เราเป็นลูกชาวภูดควรที่จะได้ของดีของดีไปปฏิบัติต่อตัวของเราเองเหีย่ยมาเก้งเก้งก้างๆเห็นเขามาเราก็มาเห็นก็ไปแล้วก็ไป มาดื้อเลงบันเทงิงมาไม่เอาหาสาระประโยชน์อะไรมีเยอะนาที่มาเต็มอยู่นี่มาด้วยคำดื้นเหมือนเทงิงมาอยู่มากินมาเป็นหมาเข้าฐานมีเยอะมาไม่เลยอะไรแล้วก็ามาเห็นว่าเขารับเลี้ยงแล้วกลับมากินทั้งกินทั้งสะพายไปเลยโอเออโอเอดื้อเลงบันเทิงไปนี่อพวกหมาเข้าฐานเข้าใจไหมผู้ที่มาหาศีลหาธรรมไม่ได้สนใจกับสิ่งเหล่านี้ เพียงเดียวยาเวลาหิหวโหยขึ้นมาท่านก็กินเราก็กินเป็นธรรมดาแต่ผูท้ที่ใจจิตใจสงบไม่ไสนใจกับอะไรมีแต่มาอยู่มากินอย่างไรจะได้อยู่ได้กินสนุกสนานสำลานใจในชั่วพิบตาเดียวพลิบตาเดียวแล้วพอใจพวกนี้พวกหมาตกฐานเข้าไปตรงไหนแนละ้วมีเลี้ยงที่ตรงไหนกินอิ่มหมีพีหมาไปมันไม่ได้อหมีพีอย่างอื่นนะอมหมีพีหมา นิสัยใจคอไม่แล้วเอานิสัยมนุษย์มาช้เอานิสัยหมามาช้มันก็เลยอิ่หนี้พีนหมาไปไม่คิดไม่อ่าน <c oughs> นี่วันนี้เรามาเพื่ออัดเพื่อทาขอให้ทุกท่านได้คิดเรื่องอัดเรื่องทำนะํำเอาไปซักฟอกทาคือของดีเลิศไม่มีอะไรเลิศเหนือทำก็ได้ในโลกกระทำนส่วนความสกโ ป, ปกทั้งหลายนี่มีอืู่เต็มบ้าเนเต็มเมืองขาดน้ําคืออัดคือทําเป็นเครื่องชําระซักฟอก คนทั้งคนจะแต่งเนื้อแต่งตัวสะอาดสกปาารกไปแข่งเทวุตรเทวดาความโสของของมันสัมตลกสู้ไม่ได้นะความโสกรบกของบุคคลที่ลืมเนื้อลืมตัวแต่งเนื้อแต่งตัวฟู้งฝ้ารู้หลาไม่ได้คิดถึงความสิ้นความกลียดมีแต่ความมุงเฟ้อเหิงความประหยัดมัธยัตยไม่มีติดเนื้อติดตัวมีแต่ความมุเฟ้อเหิงพวกนี้พวกจิตใจเลวจิจตใจสัสร้างไปที่ไหนแล้วเถอะเลอะเทอะ อยู่ในตัวเองก็เลี้ยงตัวเองไม่ได้อยู่ในครอบครัวเย่าเรือนหัวกับเมียก็ทะเลาะกันแล้วอยู่เป็นบ้านเป็นเมืองต่างคนแต่มีแต่ความฟุ้งเฟ้อเหะกนองแล้วสุดท้ายก็สังหารสมบัติเข้าของเงินทองที่เงินทองที่อยู่ในท่าของตนให้ลงจบลงได้โดยไม่สงสัยเพราะเหตุแห่งความเลวร้ายของความฟุ้งเฟ้อเห่ที่ไม่รู้จักประมาณนี่แหละเป็นเครื่องสังหารขอให้ท่านทั้งหลายคิดทุกคนทุกคน <c oughs> นี่เราเลือกให้เลือกนะเนี่ยวันนี้ท่านจะเผาศพท่านปัญญาวัตโถ ท, ท่านปฏิบัติดีปฏิบั ต, บติชอบก็ตายวันนี้แหละเราจะปฏิบัติตัวแบบไหนก็จะตายแบบเดียวกันนั่นแหละแต่จะตายคนละสถานีไหนไม่ทราบนะเอแต่ความดีนั้นขอให้มีในใจเถอะตายที่ไหนดีหมดถ้าคนมีความดีแล้วอยู่ที่ไหนตายที่ไหนได้ทั้งนั้นดีทั้งนั้น ถ้าคนเลวเราขึ้นไปไว้หอปร า, าสราทราชมงคเทียนมันก็เป็นราชมงคเทียนเป็นหอปร า, าสาทตั้งแต่สิ่งที่อาศัยนั่นแหละใส่ตัวคนมันเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์นรกให้พากันเลือกเฟ้นเถียตั้งแต่บัด น, นี้นะมันลาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายที่มาวัดมาว่ามาอย่ามาม า, มาเฉยๆนะมาแบบหม า, มาเข้าฐานนะให้ม า, มาแบบอัดแบบทาสม ท่านเลือกสิ่งดีงามทั้งหลายเวลาท่านเทศนาว่าการอเรื่อยๆไปชิดไปปฏิบัติคำว่าบุญว่าบาปนี่มีอยู่กับประจําพุทธศาสนาของเรามาตั้งกับตั้งกันพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสสรู้ขึ้นมาจะมอเจอบุญและบาปนารกสวรรค์ธรรมโลกนิพพานเปรตผีประเภทต่างๆทั่วดินโลกทาต น, นี่เหมือนกันหมด ไม่มีพระพุทธเจ้าครงใดจะไม่เจอสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมนะท่านนำทาเหล่านี้มาสอนพวกเราให้ฟังเสียงจอมปราดฉลาดแขมผมอย่าไปเชื่อคนตาบอหรับหูรับตาไปวัดไปวาก็โลัวเสียเวล่มเวลาทําบุญให้การกลัวจะสิ้นจะเผืองเวลาเราเอาไปทะลุตัวเองด้วยความชัว่วท้าหลอกาะนาสิ่งเหล่านี้ไปเป็นเครื่องมือพ า, ารมสงสะรโ บ, บกใม่เห็นจะซีดจะของบ้าง พระพุทธเจ้ามาลื้อฟื้นขึ้นมาให้ระวังบาปคำวําบาปเป็นของชั่วชาละชั่วชาละหมด เ, เป็นไฟเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองได้ให้พาคดุส่าพยายามสร้างงามความดีประพฤติตัวให้เป็นคนดีมีเรียกว่าผลความดีงามเข้าสู่จิตใจของเราคนนี้อยู่ที่ไหน <c oughs> มีความสงบร่มเย็นเพื่อนสูงก็ติดก็พันใครก็รักชอบเคารพนับถือ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นที่น่ากราบไหวบูชาเป็นผู้น้อยก็ น, น่ารักน่าสงสารนี่แหละคนมีความดีถ้าคนมีความเลวแล้วไปที่ไหนเป็นเหมือนเปรตเหมือนผีพระกระเจําจมานันนาเรียกท่านว่าความดีความชั่วความเรียกว่าบาปบาบุญบาบุญนี้มีมาตั้งแต่ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสรู้ขึ้นมา มาเจอเอาบาปเอาบุญนี้ก่อนเพื่อนเจอบาปเจอบุญเจอนารกสวรรค์เจอเปลือกเจอผีเจอสวรรค์พุทธโลกนิพพานเหมือนกันทุกทุกพระองค์บรรดาพระพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นเวลานำธรรมมาสอนโลกจึงสอนตามสิ่งที่เจอที่เห็นที่รู้อยู่จํังในพระไตรปิฎกพวกเราว่าเหล่านี้เราไม่เห็นนะ เอาความไม่เห็นไปเป็นใหญ่เป็นโตลบล้างความรู้ความเห็นบรริงของพระเจ้าเสียหมดความจมจึงเป็นเรื่องของเราเหมา เ, าเสียหมดท้ายไม่ได้นะอืพวกเรามันเหมาตั้งแต่ความช่วยท่าเราหมดเอาหูหมวกตาบอด ไ, ไปเป็นใหญ่เป็นโตกระท่านผููหูดีจันคือศาสนาโลกเดกแล้วก็ทําตามทิฏฐิมานะ <c oughs> ที่ว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีแล้วสิ่งที่ทําลงไปก็คือสร้างทางนรกนั่นเอง ท่านทำลงไปแล้วพระพุทธเจ้าไม่มารับเคราะรับกรรมกับเรานะสอนไว้ด้วยความเมตตาสงสารพวกเราหลร้ายก็ผู้ใดไม่มีมทิฏฐิมานะไม่ยอมฟังเสียมกับมุทะลุดุดันทำมาตั้งแต่ตามใจชอบใจชอบโลกเรโลกแล้วใครไปรับรองใครได้ทรัพ <c> ย <oughs> ์นลโลกมีใครรับรองกันไหมแล้วนะคนเรือนจํานั่นลักโทษในเรือนจําติดคุกติดตารางกี่ปีกี่เดือน โทษแล้วหูโทษคระดโทษเต็มเหนลยจำมีใครรับรองใครได้ไหมเป็นนักโทษเต็มตัวเหมือนกันเหมือนกันหมดนี่นักโทษในลโลกก็แบบเดียวกันใครจะไปรับรองใครได้ถ้าเราไม่รับรองเราเสียตั้งแต่บัดนี้โดยการปัดความชั่วออกมันจะเป็นบาปเป็นกรรมแล้วสั่งสมความดีงามเข้ามาสู่จิตใจของเราเรียกว่า ข, อขอ้อนวายทางใจ เขาทําความดีเข้าสู่ใจผู้นี้เป็นผู้รับรองตัวเองไปที่ไหนเรานั่นแหละเป็นผู้รับรองบาบุญในโลกสวรรค์ถ้าไม่ได้ดื้อดึงนะถ้าไม่ได้คึกไม่ขวนองตัวมนุษย์เราสัตว์โลกสักที่จะไปตนกนรกเนี่ยตัวมันดือ้อมันด่างที่ไหนมันไม่ยอมไปเข้านรกมันชอบเรื่องเปรตเรื่องผีมันชอบเพราะใจมันคึกขวนองในะทางนั้นตายแล้วก็จมประจมแล้วก็เรานี่เองเนี่ยเป็นผู้จม ที่อวดดิบอวดดีเยอะหิงจองของเนี่ยตัวเต็งเต็งเนี่ยให้พาคกันจํำวันนะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่มีพระศาลาองค์ใดที่สอนโลกด้วยคำหลอกวัวไม่มีเหมือนกันหมดเลยนี่ศาสตร์โลกเท่าไหร่จะหลุดพ้นจากคําสอนของพระพุทธเจ้านี้มีจํานวนมากขนาดไหนนับไม่ได้เหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในโลกนี้นั่นเราพูดไม่ได้เลยน่ะ เหมือนน้ำมหาสมุทรรำมาธาตุเรียกว่าธรรมมีอยู่ครอบโลกธาตุเราเทียบได้บัดน้ำมหาสมุทรน้ำมหาสมุทรมันยังมีฝั่งมีสาถึงจะกว้างขนาดไหนมันก็มีฝั่งเรียกว่ากว้างเฉยแต่พุทธะคือพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้มาเป็นธรรมทั้งแท่งทั้งแท่งครอบโลกธาตุนี้มากยิ่งกว่าน้ำมหาสมุทรเป็นใดๆท่านเหล่านี้เองก่อนที่จะ ไปเป็นธรรมชาตินั้นน่ะสั่งสอนสั่นโลกหรือขนสั่นโลกให้หลุดพ้นจากทุกจํานวนมากมายมากมายแต่ละพระองค์ของพระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนโลกได้เป็นขนาดนั้นเราตั้งแต่สั่งสอนเราคนเดียวก็ล้มลุกคุกคานคอยแตจะจงคอยแต่จะจ ง, จจงมันไปนยังไงเอามาเทียบดูสิท่านระหลายให้คิดหนาเวลานี้ยังไม่ตายงั้นท่านปัญญาตายแล้วนั่นรอเวลาสามโมงเย็น นี่ก็จะเผาท่านแล้วเรายังไม่ตายยังไม่เผาให้รีบแร่งขวัญขวายคัดเลือกตัวเองความดีความชั่วมีอยู่กับเราผู้ทําให้คัดเลือกเสียตั้งแต่บัดนี้สิ่งใดที่ชั่วความชั่วนั้นแหลอเราทําลงไปแล้วจะเป็นไฟเผาไหม้เราความดีนั้นแหละที่เราทําลงไปแล้วจะเป็นผู้พึ่งเป็นพึ่งตายกับเราให้คัดเลือกเสียตั้งแต่บัดนี้ที่ยังไม่ถูกเผาฟืนเผาไฟนะนี่เตือนเขียวเวลานี้ยังไม่ตาย นั่งเรายการสอนคนตายไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องสอนคนเป็นพระพุทธเจ้าทุกๆองค์สอนคนเป็นทางนั้นตายแล้วก็สุดวิสัยสุดวิสัยท่านไม่ตามมาสอนคนตายละ่ะท่านสอนคนเป็นพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็มาตรัสรู้เพื่อสอนสัตว์โลกที่มีชีวิตอยู่นั่นแหละเล่าเวลานี้ก็มีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์องค์ศาสดา ของพวกเราทั้งหลายต้องมีอยู่ในอักในยธรรมนั่นแหลคือองศาสลาให้เชื่อเชื่อธรรมอย่าเชื่อตั้งแต่ที่เดือดตั้นหานะ่ะอันนี้มันพาสัตว์โลกให้ร่วมจมามากต่อมากแล้วควรจะเส็จหลาบยิ่พอแต่ก็ไม่มีใครเจหลาบพราะฉะนั้นหลงในแดนนรกสัตวในแดนนรกถึงมากยิ่งกว่าสัตว์ที่อยู่บนสวรรค์สมาโรกนั่นมันต่างกันอย่างนั้นะท่านเทียบไว้เหมือนขนโคกับเขาโค <c oughs> พาโนนทูลถามพระพุทธเจ้าว่าผู้ที่จะไปสักโลกนี้ผู้ที่จะไปสวรรค์นิพพานกับผู้ที่จะลงนรกนั้นทางไหนมากกว่ากันพระเจ้าข้าครัพระองค์กระลับสั่งว่าโคตัวหนึ่งมีขนมากขนาดไหนแล้วมีเขาตีเขานั่น โคตัวนั้นทั้งหมดขนเต็มตัวของมันขนเต็มตัวของมันนั่นแหลคือที่ยาแห่งความชั่วของจิตใจสันโลกที่หมุนติ้วเพื่อจะลงนรกหมกไหม้ด้วยกันทั้งนั้นนหละเทียบกันได้กับผลโคที่จะหมุนลงนรกนเท่ากับผลโคทั้งตัวผู้ที่จะหมุนตัวให้รอดพ้นไปในลําดับลําดับจนกระทึงถึงพรนิพพานนั้นเท่ากับ เขาโคเขาโคลมันมีเพียงสองเขาเท่านั้นถ้าให้เราเลือกแฟนเราเสียเราจะเป็นเขาโครหรือเป็นขนโคลเอาเขียนใบสมัครมาตั้งแต่วันนี้ไม่เสียนมันก็บอกแล้วข้าคือขนโคลข่าก็เป็นขนโคลผัวก็เป็นขนโคลเมียข่าก็เป็นขนโคลลูกข่าก็เป็นขนโคลอหมาข่าก็เป็นขนโคลสุดท้ายวิ่งเข้าไปหาวัดไอ้บุ๊กตี้ไอ้ไอ ย, ยอมก็เป็นขนโคล หลวงตาคัวจานสอนมันเพื่อไปสวรานิพพานมนเป็นเขาโคไม่ยอมไปถ้าเขาไปตัวแท้องป่องออกมาป่องออกมามีแต่ผลโคเต็มตัวมันเต็มท้องเหมือนเข้าใจไหมนี่ละจิตใจของสัตว์ที่ต่ำรามเป็นอย่างนั้นมีแต่อยากไหลลงทางต่ทางต่ำที่จะไหลขึ้นทางสูงมีมากนะมีการพูดทางนี้เราไม่พูดแบบเดียวนะการ บำเพ็นคุลความดีงามนี้เิแรกต้องตะเกียบตะกายย่อมมีหนักและหนักมากเต็มกาลังความสามารถแต่ไม่สอยก็เรียกว่าหนักมากตะเกียบตะกาท่ันทำไป น, น ไ, ปนนไปนานไปนานไปมีความคล่องแคล่วแกวกาการสร้างความดีได้ลากลื่นไปได้เหมือนเราที่เคยทำความชั่ว ด, ด้วยความชินตาชินใจชินการกระทาของเราไปที่ไหนคิดความชั่วจะออกก่อนออกก่อน ทีนี้เวลานำทำเข้ามาสกัดลักกั้นถ้าล้างสิ่งชัวช่วช้าละโมบละลายออกโดยลําดับลำดาแล้วใจของเราค่อยๆสงบร่มเย็นจะสะอาดก้าวขึ้นมาแล้วก็ใจของเราจะมีความราบรื่นดีงามสงบร่มเย็นต่อไปความรักชอบในการบําเพ็ญกองการกุศลที่ว่ายากไม่ยากแล้วใจไม่พาให้ยากหมุนติ่วติ้วได้เลยเดี๋ยวเวลาเราทําไม่หยุดไม่ถอยการสร้างความดีจะยากแต่เบื้องตน้น ถ้าทําไปมาอยู่ใน่ถอยก็ราบลื่นไปเหมือนกันกับเขาที่เคยทําความชั่วนั่นแหละจําว่านะคนก็เคยทําความชั่วแล้วมันไหลลื่นลงไปเลยนะอืคนถ้าทําความดีนี่เวลาเอาความดีมีกําลังมากแล้วก็เป็นเท็มเดียวกันไหลลื่นไปเลยที่จะทําความดีการที่แกทําความความชั่วข้อขาดไม่อยอมทําทนี่แหละผู้เชื่อต่อต่อทำอย่างนี้มีจํานวนน้อยมากเท่ากับ เขาโคพาการจันวนาอะไรผู้ภัยมาก็มีแต่ขนโคเต็มวัดเต็มว่าจะไปติดประกาศไว้หน้าวัดวัดป่าบันตาคือวัดเขาโคว่างั้นแล้วเขียนผู้ใหญ่เป็นใหญ่อยู่ในวัดป่าบันตาอีตาวัวเป็นเจ้าของขนโคเขียนไว้อีกเรายอมรับเพราะลูกศิษย์เราก็เป็นอย่างนั้นเราก็อาจเป็นอย่างนั้นก็ราชก่อนแต่ทุกวันนี้ไ ม, ไม่บอกได้ยันได้เลย ทามาพุทธเจ้าเป็นเครื่องประกาศต้านอยู่ในหัวใจเราไม่เป็นไม่ว่าเป็นว่าตายต้านยูตลอดเวลาท่านว่าอาร โ, โกฏิปานได้แก่การอสองแสวงหาคุางามความดีตั้งแต่วันบวชมาจนกระทั่งวันนี้ชีวิตของเราในการบวชนี้ได้เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองพรรษาดแล้วสร้างตั้งแต่ความดีงามไม่ได้ตำหนิติเตียนว่าเรา ทำสินของเราให้ด่างพร้อยขาดทะลุปไปด้วยเจตนารามบกไม่เคยมีมีแต่ความทนุถนอมความรักที่นวตะปะประจําใจตลอดมาจนกระทั่งบันนี้สร้างแต่ความชีวิตของคารวา่าเป็นมาได้ยี่สิบปีกับเก้าเดือนเราก็ออกบวชอายุได้ยี่สิบปีกับเก้าเดือนแล้วออกบวชจากนั้นเป็นชีวิตของพระรักษาตัวมาตลอดตั้งแต่บัด น, นั้นจนกระทั่งบัด น, นี้ จนกระทั่ ง, ทงเป็นที่พอใจบัดนี้เราพอใจแล้วที่สอนพี่น้องสังหายจึงสอนด้ความอาศรานทานไทยไม่ชะต้องอัศรานกับผู้ใดจะมาตำหนิตีเตียนือว่าโอ้ว่าอวดว่าอะไรก็ตามสิ่งที่เรานํามาสอนมีแต่ความจริงดังนั้นเราไม่ได้นําสิ่งที่บุตรลิหาเรื่องท้าราวมาสอนดอกเบี้ยโลกเราเอาแต่ความจริงมาสอนโลกเพราะเราปฏิบัติเราก็ปฏิบัติตามความศักดิ์สิทจริงผลก็ปรากฏขึ้นมาประจักษ์ใจ จงกระทั่งเป็นที่พอใจทุกอย่างไม่มีเชลกระทานแล้วจึงแนะนํำทาเหล่านี้มาสอนโลกข้าแล้วตั้งใจทํำจริงๆเป็นอย่างนี้ได้ไม่สงสัยความดีนี้อาฐานพชาญชัความชั่วผ่านมาได้เลยขาดกระวั้นไปหมดเพราะอาํานาจของความดีมีมากภายในใจเหมือน ก, นกันกับคนชั่วที่จะทำกรรมชั่วมากๆแล้วไปที่ไหนมีแต่กรรมชั่วกรรมดีชิดขึ้มนมาไม่ได้ขาดกระวั้นไปเลยเช่นเดียวกัน ให้เราคัดเลือกเสือตั้งแต่คัดเลือกเสียตยั้งแต่บัด น, นี้นะวันนี้เป็นโอกาสอันดีท่า <c oughs> นที่เหล่พี่น้องทั้งหลายได้เห็นหลวงตา บ, บัวทั่วประเทศไทยอทางทีวีทางไหนอินเทอร์เน็ตวิทยุได้เห็นทั่วทุกทิศทุกทางวันนี้หลวงตา บ, บัวออกมาแสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ออคำอุปตริตมาสอนไหนไม่มีดังที่พวกเทวาทาัตเขาแสดงออก ต้องต้องมาว่าหลวงตาบัวนี่อวดอุตริมนุษยธรรมนี่เขาว่าจำได้กระทั่งชื่อออกประกาศทางวิทยุใครก็ได้ยินว่าหลวงตาบัวนี่เป็นออกมาจากฝ่าแล้วมาอวดอุตริมนุษยธรรมต่อโลกสองสารนี่อันหนึ่งอันข้อที่สองหลวงตาบัวนี่เลี้ยอะไรโลกเลี้ยอะไรเงินมาช่วยโลกอื โดยผิดกฎหมายนี่อันหนึง่งนี่เขาว่าอย่างนี้เรานำมาพูดเฉยๆเราไม่เป้าผิดเอาถูกกับผูใ้ใดลยแต่ความจริงของเรานั้น่ะเราจริงเราจังมากอุตริมนุษยธรรมที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเป็นของจริงแล้วมาสอนโลกได้สามเดนโลกกาะทาอุตริที่ไหนถ้าว่าบุทธเจ้าอุตรินั้นทำพุทธเจ้าสอนไว้ผิดที่ตรงไหนตรงที่ผิดนั่นแหละเรียกว่าอุตริ ขาเอามาพูดเฉยๆไว้เป็นความดริงว่าพุทธเจ้ามี่จากความจริงสวัสดิธรรนี่เรานํามาสอนโลกเหมืนกันตั้งจะออกสอนโลกเรานําจากของจริงถอดออกมาจากหัวใจของเรามาสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่าอุทธริตมาที่ที่ไหนเราสอนไปที่ไหนที่ไหนว่าผิดที่ตรงไหนถ้าว่าเราอุตริตผิดตรงนั้นนั้นเอาค้านมาหลวงตาจะเป็นผู้รับในเรื่องค้านเอาค้านมาฟ้องมาหลงวงตาบัวจะเป็นผู้รับทำเทียงตีท่า พูดเป็นความบีคือผิดไปจากหลักความจริงที่ตนปฏิบัติมาได้รู้ได้เห็นไปแล้วการนำถ่ายสอนโลกเป็นอย่างนีง้เราไม่มีในหัวใจของเราเราจึงท้าทายในที่เด็ดตำหนาบอกว่าไม่มีในหัวใจนี้ด้วยแล้วอาถารทางใจในการที่จ ะ, สะแสดงแจ่บารดาวีรน้องเทลายด้วยความเมตตาสุดส่วนของหัวใจด้วยขอให้พากันรักคุญแจความดีเอาความดีทั้งหลายท่านหล่าจะเป็นที่มงคลแก่ตนเอง สิ่งใดที่ไม่มีไม่งามให้พยายามกำจัดปัดเป่ามันออกนะไม่เช่นนั้นเราจะจงไปเราจะให้นั่นนะ <c oughs> <c oughs> เวลานี่พวกขนโคลนั่น <c oughs> มันไปท่าทานนกกยนรกเ่านรกก็เสียงเสือให้วัวกลัวเข้าใจไม้มนรกไม่มีการที่ว่านรกมีนี่นไปเสียงเสือให้วัวมันตัวเฉยเฉยนรกไม่มีนี่ นี่เพราะขนโคลมันเป็นอย่างนี้นะและตัวที่จะไปลงนรกนั่นก็คือตัวขนโคลที่ท้าทายนรกอยู่เวลานี้แหละไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดท่านผู้กัวรนรกไม่ทำํำบาปมีแต่ทาความดีงามอย่างเดียวตายแล้วไม่ต้องบอกไปสวรรค์เหตนว่ามันเสียนทางสวรรค์ไม่ก็ทาทางเขาทำท่านสอนไปแล้วคือทางไปสวรรค์ทางนรกทางนี้ไปนรกทางนั้นไปสวรรค์ <c oughs> ทางไหนไม่ดียาไปให้ไปในทางที่ถูกที่ดีเอาพระทีเจ้าสอนไว้หมดแล้วนี่แหละในพูดในฟัง <c oughs> ถึงีเรื่องที่มาที่ว่าความอาถรรพ์ทางไทยในการเทศนาว่าการสอนพี่น้องทั่วประเทศไทยของเรายังทั่วโลกเราไม่อยากพูดเฉยๆว่าเท ว, ทวดาที่พระเจ้าว่ว า, ววามีได้สอนหรือไม่ได้สอนเทวุเทวดาเป็นเท ว, ทวดาอินพรมเป็นอินเป็นพร ม, เ ป, พมเป็นเรื่องคนละเรื่อง สอนคนงานหน้าที่คนใน เ, เวลาเวลาสภาพของธรรมสภาพของรูปร่างต่างตัวต่างกันต้องสอนต่างกันเราสอนมนุษย์เราต้องเอาภาษามนุษย์มาสอนกันเนี่ยที่สอนเหล่านี้สอนด้วยความแน่ใจแม่นยาทุกอย่างขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นที่แน่ใจในธรรมคําสอนของพรจาเราปฏิบัติตะเกียวตับกายมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งถึงบันนี้เป็นเวลาเจ็ 2, ิศสองพรษานี้แล้วจนหาที่ตั้งติในใจนี้ไม่ได้แล้ว ที่ท่านทั้งหลายว่าดูในทางทีวีอินเทอร์เน็ตหรือฟังอินเทอร์เน็ตทางไหนก็ตามดูนั่นละ่ะดูก็ดูเถอะไม่ว่าตัวเราต้องซึ่งเป็นตัวความจริงเนี่ยเราเดําเนินมาแล้วทุกอย่างก่อนที่จะมาออกสื่งวันนี้ให้ท่านทั้งหลายได้เห็นได้ชมเราเป็นมาแล้วทุกอย่างถ้าผิดแล้วก็ผิดมาแล้วแต่นี้ถูกมาแล้วโดยลําดับจนกระทั่งถึงเป็นที่พอใจจึิงได้นํำทาเหล่านี้มาสอนโลก ถ้าโลกหากจะพอมีนิสัยปัจจัยพอยืดอาจยืดทำได้แล้วก็ให้พยายามนําไปเป็นคติเครื่องกันใจสอนตนถ้ามันจะหมดนิสัยวาสนาแล้วก็ใสะบักตัวเป็นผลโคกันเสียให้หมดเนื้อให้ประจมคนในนรกแล้วเราคอยสร้างเสียงจ่านรกเขานายมพบาลเขาเขามารายงานตัวเวลานี้นรกนั้นเต็มหมดแล้วสัตว์นรกไปไปเออดนั้นขอสร้างนรกใหม่ขึ้นมา เงินงบประมาณสร้างนรกใหม่ได้ทราบว่าหลวงตาบัวช่วยสรางบ้านเมืองนรกมวลคนก็เช่นเรือนจําราชยาวนี่ก็ได้ช่วยเต็มกําลังพวสามารถเรือนจําราชยาวเวลานี้ก็4ี่สิล้านเรือนจําอุดรเรือนจำหนองบัวลําพูตลอดนู่นบึงการอำเภอพลนี่เขาเขาไม่พออยู่พอจินพอใช้เขามาขอร้องจากเรานี่ทางธนาลกนี่ ทางโรงพบาลเขาก็ไม่เคยมาติดต่อเรานะมาติดต่อลลวงตะบัวเห็นว่าจะช่วยมนุษย์มาลาทางแดนมนุษย์แล้วทั้งนี้ก็ยากจนจนแค้นเหมือนกันทําไมหลวงตาไม่เห็นช่วยเวลานี่มาขอความเสียเหลือจากหลวงตาก็ไม่เห็นโรงพยาบาลตรงไหนมาขอช่วยก็เพราะเหตุว่าตั้มนี้เป็นพอดีพอดีกับเราใครจะทํามากทาน้อยไปทำที่ไหนที่ว่าแดนนรก อาจอ่านกระหนดอากอ่านแต่ตัวของเรานโลกไม่มีอะไรมันมีอยู่กับตัวของเรานารกแน่นกับแน่นในตัวของเราเองเป็นทุกข์เพราะนโลกแน่นก็เป็นทุกข์นกนกในตัวของเราเองเพราะฉะนั้นจึงไม่มีโยมพระบา้านตนไหนที่จะมาขอความเสียเหลือจากหัวงตาบัวไปสร้างนารกใหม่ขึ้นมาว่านารกมี้แคบไปพระพุทธเจ้าตัดรูขึ้นมาขีดพระองค์ก็สอนว่านารกแน่นนรกแน่นเพราะสัตว์โลกสมัครใจสมัครใจไปจมอยู่ในนั้น แต่ก็ไม่เคยเห็นรงพยาบาลต้นใดที่มาขอความช่วยเหลือจากพระพุทธเจ้าให้ทรงประกาศให้บรรดาศัตว์ผู้ดีทั้งหลายสัตว์ปหลุสสัตว์ตบปรหลุส ผ, ผู้ดีงทั้งหลายได้ไปช่วยแก้ไขสร้างโรงพยาบาลสร้างนารกใหม่ให้พวกอเ ป, ปรตพวกผีที่ไปจนนรกไม่เคยมีพอริบพอ่อนรกนั้นแน่นตลอดเวลาก็พอดีกับกรรมของสัตว์ ตลอดมาอย่างนี้เนี่ยให้พากันจำไว้นะว่าบาบุญในโกสวรรค์ท่านเห็นว่าเป็นของเล่นหรือพระพุทธเจ้าทั้งองค์ทั้งองค์มีมากกันหลายรายมาสอนมาลือา้อผลตัดให้พ้นแตนรเรายังถือว่าเป็นของเล่นอยู่หรืและใครที่จะเป็นเจ้ารนกนั่นจะเป็นของถิ่นจะเป็นใครของถิ่นถ้าไม่เป็นตัวของเราที่ประมาทอัดทำทำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นให้พาการจดจำวันนัรนเาพี่น้องนั้งหลับ วันนี้ได้เปิดอาจเปิดทำให้พี่น้องหลายสังด้วยความอาถรรพ์ชานใจเราไม่มีอะไรชะตากธานในลยสามดืโลกทาต น, นี่สมใจที่ว่าทำพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสวัาาสดิธรรมตัดไว้ชอบแล้วชอบแล้ ว, ลวปฏิบัติตามนั้นก็ชอบเป็ น, นระดับดำดา <c oughs> จนกระทั่งถึงท่านอิ่มพอพอก็บอกว่าพอเราไม่หาอะไรอยู่ <c oughs> แล้วเวลานี้ยังดิ้นดีนดิ้นทุกวันดีดิ้นด้วยความเมตตาต่อโลกเท่านั้นเอง ได้อะไรอะไรมาก็ค้นฝายเพื่อโลกเพื่อโลกเพื่อเรานี่ไม่มีมินตบามาวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังที่นี้แค่เป็นไปเท่านั้นมันก็พอแล้ววันหนึ่งบาทตายกีบาทกีบา ท, บาทแต่ทิงให้ตายก็ตายนี่เราจรึงเรียกว่าเราพอทุกอย่างอันใดที่ได้มานี่เพื่อโลกเพื่อสงสารเท่านั้นไม่ได้เพื่อเราเราก็จะเกียบตะกายสําหรับเราแล้วเราพอพอทุกอย่างบุญก็พอบาปก็พอ ทุกอย่างขึ้นจะว่าสมมุติแล้วคอหมดปัดออกหมดไม่มีอะไรเหลือมีธรรมธาตุนะฮะขีพมุติแก้าทรงแสดงว่าแดนนิพพานเหลือธรรมธาตุเหลือมหาวิมุตติอันนั่นเป็นวิสัยของท่านตัวบริสุทธิ์แล้วท่านทรงของท่านเองอนี่เราก็คอทุกอย่างแล้วเรามาสอนโลกเราไม่ได้สอนด้วยความละเอียดต่กายเพื่อตัวเองนะเราไม่เพื่อเรา แล้วเพื่อท่านทั้งหลายสัตว์โลกตัวหน้ากันทั้งนั้นเนี่ยเราจึงไปเกี่ยวกับกายเอาทนเอาความเมตตาสงสารมันมีเต็หมหัวใจไปที่ไหนความเมตตานี้ครอบโลกธาตุครอบโลกธาตุความเมตตานี้อ่อนนิ่มไปหมดนะเข้าได้มดทุกเมตถ์เมตตาคือความเมตตาสงสารไปหมดเลยเนี่จิตใจที่ถึงท่านที่เลือนเจอสุดยอดแล้ว นิมเต็มที่คือจิตใจของท่านผู้บาอิสุขอให้ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญพุนามความดีอย่าให้จิตใจมันแกเรื่องกระลาอะไรเกี่ยวกับเรื่องสีเรื่องธรรมให้ติกฝนหลบลมตนให้ดีพุทโธธัมโมสางโพนี่เราเป็นลูกชาวพุทธให้เราลึกถึงบ้างไหมว่าก่อนจะหลับเอาอย่างอย่างน้อยอก่อนจะหลับจะนอนเราลึกพุทโธธรมโมสางโหรือนั่งภาวนาบ้างไหม ตามสัปดาหต้องได้นั่งกันภาวนาพุทโธหรือธรรมโอหรือสังโขให้จิตใจสงบพุทโธธรรมโอสังโขคือน้ําดับไฟไฟคือใจได้แต่กิเลียสมันถักดันออกมาให้ชิดให้ตึงดังนั้นเรามีเอาน้ําดับไฟคือพุทโธธัรมโอหรือสังโขบทใดก็ได้ปริกรรมให้ติดแน่นอยู่ในนั้นคติจับไว้ให้ดีใจของเราจะมีความสงบลมเย็นนั่นและน้ําดับไฟเกิดขึ้นที่ใจของเรา ใจเราจะเย็นทพราะการภาวนาพากันจดจำนะทุกคนทุกคนวันนี้ก็แค่เพียงเท่านี้แหะหวังว่าบรรดาพี่น้องตัางหลายจะได้พากันชิดทางสมกับเราเราเป็นลูกชาวพุทธนะลูกชาวพุทธพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศเลยเราเป็นลูกชาวพุทธให้ปฏิบัติตามร่องรอยของสาวกษาเราจะเป็นผู้มีซีบุญคนติดตัวของเราไปพบหน้าท่านหน้า ก็จะไปสถานที่ดีคัติที่เหมาะสมตามมุญกรรมของเราที่ได้สอบแสวงมาการเสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแตกต่างเวลาและธาตุฐานขอความสวัสดีจงมีแต่บรรดาที่น้องทั้งหลายโดยสั่วกันงกัน